สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่15ข้อที่25จนถึงข้อที่34ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านาดับโอรสของเยโรบอําขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรงกับปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ ทรงของราดเหนืออิสราเอลอยู่สองปีทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของราชบิดาซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตามไฟาบาชาบุตรอาฮิยาเผ่าอิสซาคาวางแผนและลงมือสังหารนาดับขณะที่ทรงร่วมกับกองทัพอิสราเอลล้อมเมืองกิบเบโทนของฟริสเตีย บาชาปงรงผชนนาดับแล้วขึ้นคองราชตรงกับปีที่สามของรัชการอาสาแห่งยูดาทันทีที่ขึ้นคองราชบาชาก็ประหารวงวานทั้งปวงของเยโรโบอัมไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตเลยเป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางอาฮิยาชาวชิโลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะ บาปที่เยเลวัวอัมได้ทําและชักนําอิสราเอลให้ทําตามเพราะเขาได้ยั่วยุพระพิโรธของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของนาดับและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างอาสากับบาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลตลอดรัชการบาชาบุตรอาฮิยา ขึ้นเป็นกษัตริย์เหนือดินแดนอิสราเอลทั้งหมดที่เมืองทีรซาตรงกับปีที่สของรัชกาลกษัตริย์อาสาแห่งยูดาทรงครองราชอยู่ย4่ปีบาชาทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินตามวิถีและบาปของเยโรบอัมซึ่งชักนำให้อิสราเอลทําตามพี่น้องครับหัวข้อในช้าวันนี้ก็คือ ดำเนินตามวิถีบาปพี่น้องครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์แต่ละองค์ก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปมีเกิดและมีดับนั่นหมายความว่าจะมีช่วงการเปลี่ยนผ่านของแต่ละองค์แต่ละองค์ที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมหนึ่งพรกษัตริย์นี้ทำให้เราเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งก็คือว่ามีวาระเกิดวาระตายมีวาระปลูก และถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งเสียพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเป็นเวทีที่แต่ละคนนั้นเดินขึ้นมาแล้วก็เดินจากไปชีวิตของเราก็เหมือนกันครับเราแต่ละคนก็เป็นหนึ่งชีวิตที่เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็จากไปพี่น้องครับสิ่งที่เราทำอยู่ก็คล้ายๆกับสิ่งที่กษัตริย์แต่ละองค์ทำอยู่วิถี แห่งความชั่วร้ายหรือวิถีแห่งความชอบธรรมนั่นคือความแตกต่างครับพี่น้องครับในพระเจนะของพระเจ้าได้กล่าวได้กล่าวถึงกษัตริย์ทางเหนือครับก็คืออาณาจักรอิสราเอลมีกษัตริย์อยู่19องค์แต่ไม่มีกษัตริย์องค์เดียวสักองค์เดียวเลยที่เป็นกษัตริย์ที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าคำว่ากษัตริย์ที่ดีนั้นก็คือ ดำเนินตามวิถีแห่งความชอบธรรมดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์บทบัญญัติของพระเจ้าดำเนินเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเขานั้นเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าในทางกลับกันครับกษัตริย์เหล่านี้ได้นําประชากรของพระเจ้านั้นได้ออกจากความเชื่อความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าออกจากการเชื่อฟังบทบานบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเขาทําบนเวที ชีวิตของเขาเราจะเห็นว่ามีการกรบฏและก็ปราบดาพิเศกตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับนาดับนั้นเป็นโอรสของเยโรโบอัมแล้วก็ครอบครองอิสราเอลอยู่แค่สองปีครับทาสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าดําเนินตามวิถีบาปของราชบิดาและชักนําอิสราเอลให้ทาตามด้วยต่อมาบาชาก็เป็นกบฏ แล้วก็ปราบดาพิเศษให้ตัวเองนั้นขึ้นมาเป็นกษัตริย์เขามาจากเผ่าอิสซากาและวางแผนสังหารนาดับครับนาดับก็ตายบาอาชานั้นรอบปลงประชนานาดับแล้วขึ้นของราชแทนอันนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลฝ่ายเหนือทันทีที่ของราชบาอาชาซึ่งปราบดาพิเศษมาบัดมาทครับก็ประหาร ชีวิตของวงวานทั้งปวงของเยเรเบอัมไม่ปล่อยให้ใครรอดชีวิตเลยอันนี้ก็จะเป็นไปตามคําพยากรณ์ที่พระเจ้านั้นได้ตัดผ่านไว้ทางอาฮิยาชาวชิโลผู้รับใช้ของพระเจ้าถามว่าทําไมครับถามว่าทําไมพงพันธุ์เหล่านี้ต้องตายครับเพราะบาปของผู้นําครอบครัวของเขาคือเยเรเบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลฝ่ายเหนือชักนําให้ประชาชนทําบาปตามเขา ยั่วยุพระพี่โรดของพระเจ้าทั้งที่รู้ครับว่าสิ่งที่ดีนั้นทำอย่างไรแต่ไม่ทําครับตั้งใจตั้งใจที่จะไม่ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งเชื้อสายของเยโรบอัมทั้งหมดนั้นถูกประหารเพราะว่าเยโรอ๊อฟนั้นนําอิสราเอลให้ทําบาปความบาปนั้นถูกพิพากษาอย่างรุนแรงเสมอครับพี่น้อง แต่คนบาปที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือผู้นำครับก็คือคนที่ชักนำคนอื่นให้ทำบาพปพระเยซูตรัสว่าคนเ่านี่ยครับที่ทำให้เด็กลูกเด็กเล็กแดงหรือคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับลงผิดไปเอาหินโม่ผูกคอทวงน้ำดีกว่าโยนเข้าไปในทะเล ก, ก็ยังดีกว่าอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ก้อ็ที่42นะครับพี่น้องพี่น้องครับ ถ้าเรามีหน้าที่ต้องนำคนอื่นหรือเราเป็นผู้นาหรือเราคิดว่าเป็นผู้นำจงระลึกว่าผลที่เกิดขึ้นครับหากเราชักนำเขาให้หลงทางจากพระเจ้าไปนั่นคือหายนะของตัวเองครับของตัวเราเองจริงๆเพราะฉะนั้นการสอนความจริงการนำให้ผู้คนนั้นมาถึงความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในฐานะผู้นำครับ ควบคู่กับสิทธทิพิเศษของการเป็นผู้นำด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเจิมตั้งผู้นำพี่น้องครับอย่าให้ผู้ใดที่จะทําการปรับดาพิเศษหรือการเป็นกบฏครับแต่ในขณรเดียวกันครับคนที่เป็นผู้นำจะต้องสํานึกตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าเรานําผิดพระเจ้าจะจัดการเราอย่างรุนแรงพระเจ้าจะพิพากษาเราและลงโทษผู้นำ ที่ชั่วร้ายพี่น้องครับบาชาที่เป็นการบฏสําเร็จครับปฏิวัติสําเร็จนั้นก็ครองราชอยู่ยี่สิปีเราจะเห็นว่านาดับครองราชสองปีแต่ว่าพวกปฏิวัติครองราชอยู่ยี่สิปีนั่นคือความแตกต่างของระยะเวลาครับแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับสิ่งที่สําคัญมากยิ่งที่สุดก็คือ พวกเขาได้เดินอยู่ในทางของวิถีทางขององค์พระพู้เนเจ้าหรือไม่หรือเขาดำเนินตามวิถีบาปครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะตัดสินพี่น้องครับความเป็นผู้นำนั้นอาจจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าวิถีนั้นเป็นวิถีที่นำไปสู่ความชอบธรรมหรือนำไปสู่ความบาปต่างหากครับและในเวลาเดียวกันเราจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะเก่ง หรือไม่เก่งไม่ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในแง่ของการบริหารจัดการหรือไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของการบริหารจัดการแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ดีเขาชักนําอิสราเอลไปในทางชอบธรรมที่ถูกต้องนั่นแหละครับในสายพระเนตรของพระเจ้าสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เก่งไม่ใช่ความสําเร็จแต่เป็นความดี ความชอบทําต่างหาที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและจะถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตครับนั่นสําหรับทุกคนแต่ว่าในพระธรรมหนึ่งพงศษนั้นเราจะเห็นว่ากษัตริย์ทั้งชั่วและดีถูกบันทึกไว้หมดแต่เป้าหมายต่างกันครับวิถีต่างกันครับและผลลัพธ์ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เรานนั้นจะไม่ต้องพึ่งพาให้เกิดความเก่งและผลสำเร็จของการประกอบการผลสำเร็จของการนําแต่ว่าผลลัพธ์ผลสำเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่ที่ว่าเรานำประชากรของพระเจ้าไปสู่ความชอบธรรมแล้วหรือเปล่าเรานาองค์กรของพระเจ้าไปสู่น้ำพรไทยของพระเจ้าจริ ง, รงหรือเปล่าถ้าไม่จริงเราต้องรับผิดชอบ ถ้าจริงเราต้องเราจะรับบำเหน็จอเมน